ในคาถาธรรมบทเนี่ยนะคาถาธรรมบทอัปมาทวะตอัปมาทวัตบอกว่าคนประมาทเหมือนกับคนที่ตายแล้วคนประมาไม่ประมาทเหมือนกับผู้ที่ไม่ตายเนี่ยนะนนะนนะนนะความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายเนี่ยนะมันเขาบอกว่าคนที่ไม่ประมาทเนี่ยโคจรไปในธรรมของพระเรียเจ้าทั้งหลายก็คือคนที่ไม่ประมาทคือคือใครก็คือคนที่ใช้ชีวิตให้จิตใจเนี่ยนะโคจรไปตาม ธรรมของพระพุทธเจ้าคือโพธิปัตยธรรมให้จิตเป็นไปกับสติปัญญานให้ใจเนี่ยเที่ยวอ่ะนะเป็นนักเที่ยวเที่ยวทางความคิดด้วยเที่ยวด้วยสติปัญญานเที่ยวด้วยสัมมาปัญญาเที่ยวด้วยโพธิปักตยธรรมเนี่ยนะกลายเป็นว่าทํางานตลอดเป็นคนที่ไม่ตกงานทางความคิดเนี่ยนะเพราะเจริญมโนกรรมใช่ไหมเจริญมโนกรรมเนี่ยนะที่เป็นสมถะและวิปัสนาส่วนสุดท้ายคืออะสัมโมหสัมปชัญญะ เทียวว่าความรอบรู้โดยไม่มีความลุ่มหลงอะสัมโมหะแปลว่าไม่ลุ่มหลงสัมโมหะแปลว่าลุ่มหลงอะแปลว่าปฏิเสธตรงกันข้ามบอกว่าไม่มีความลุ่มหลงสัมปชัญญะความร อ, ร, รอบรู้รอบรู้โดยความไม่ลุ่มหลงเขามีโทรศัพท์สมัยใหม่เนี่ยแบบประเภทอะไรนะดูแล้วเห็นเครื่องในหมดเลยนะมันมีกี่สายกี่สายก็แทบจะมองเห็นเครื่องในหมดเลยนะ คล้ายแบบนี้อาการที่สามารถมองอะไรทะลุโปร่ปรงไปหมดอย่างนี้เรียกว่าอสัมโมหะไม่ใช่ถูกอะไรชาบทา ป, ปกปิดเรียกว่ามองแบบภาพเอ็กซเรย์แบบสแกนได้หมดนะทะลุปโปร่งหมดลักษณะนั้นเรียกว่าลักษณะของอสัมโมหะมันก็เรียกว่าตรงเนี้ทำไมแปลว่าไม่หลงลืมไม่ทราบแต่ว่าเรียกว่าไม่หลงงมงายเนี่ยนะที่จริงก็ถูกว่าไม่หลงงม ง, งายคือไม่เบลอรหรือไม่เผลอ ในขณะที่ก้าวไปหรือถอยกลับชื่อว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะคือไม่เบลไม่เผลอก็คือมองเหมือนกับว่ามองอะไรที่มันซ้อนๆกันอยู่ได้ในสิ่งนั้นได้เต็มที่นี่เรียกว่าอาสัมโมหสัมปชัญญะอย่างเช่นภิกษุในศาสนานี้คือผู้ที่อบรมอธิศีนอธิจิตอธิ ป, อธ ป, ปัญญาเนี่ยนะเมื่อก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับท่านก็จะไม่มีความหลงลืม อย่างเช่นคนที่เลอะเลือนเนี่ยนะคนที่เลอะเลือนเนี่ยคือใครเหมือนพวกอันทัพปุตชนที่ถึงความหลงงมงายไปว่ามีอัตตาเป็นผู้ก้าวไปอัตตานี่ให้เกิดการก้าวไปข้างหน้าหรือสำคัญผิดว่าเราเนี่ยคือผู้ก้าวไปข้างหน้าเรานี่ให้เกิดการก้าวไปข้างหน้านะนะอันนี้น้นยกตัวอย่างในการก้าวไปข้างหน้าหรือถอยกลับเข้าใจผิดถามว่าในขณะที่เดินเนี่ยเข้าใจว่าเราเป็นผู้ไป ได้มีเราอยู่ด้วยหรือ อ, อะไรเป็นเราล่ะหรือบางทีเนี่ยก็ใจของเราสิมันพาไปโอ้ใจเป็นเราด้วยหรือเป็นตน้นออาใจมันก็เป็นใจนั่นแหละแต่คนที่ไม่มีการพิจารณาใครกวนให้รอบคอบก็สำคัญคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเราหรือเป็นของเราเป็นอัตตาของเราก็เกิดความเข้าใจผิดที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคว่าพวกพวกเข้าใจผิดแบบนี้เนี่ยนะสมัยนั้นสมัยเด็กๆไม่เด็กๆ เ, เนี่ยนะเราก็พ่อเขาเปิดวิทยุ บอกเอ้พวกนี้มันไปอยู่ทั้งนั้นได้ยังไงครับแล้วก็ตัวนิดเดียวนะทําไมมันออกเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงเราก็เลยถอดใหญ่เลยนะถอดเสร็จแล้วก็ประกอบไม่คืนไม่ได้ะพวกชอบเรือนะเอ้มันมีใครอยู่ในนั้นดีถ้าสมัยก่อนนะมีสมัยเด็กๆถ้ามีทีวีทั้งสายแง่หมดนะดูอยากจะรู้ว่าจริงๆอ่ะในนั้นมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงจอนิดเดียวเนี่ยนะแต่ปีโรงหนังโรงละครมีข่าวมีสงครามมีอะไรเต้ไปหมดในจอนั้นไปอยู่ในนั้นกันได้ยังไงเขาไปอยู่กันได้ยังไงอยู่อ้า คนที่โ ม, โมหะเนี่ยนะคนที่ลุ่มหลงนี่มันคิดอย่างนั้นจริงๆเลยนะว่ามีใครอยู่ในนั้นจริงๆอะ่ะนึกว่ามีใครอยู่ในนั้นจริงๆนึกว่ามีพระเอกนางเอกมีตัวละครไปวิ่งไปเดินอยู่ในนั้นจริงๆที่ไหนได้แั้นจริงๆมันคืออะไร มันก็คือเม็ดสีที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งสับไปสับมามันก็คือเม็ดสีเท่านั้นแหละที่มันแล้วก็มีเสียงอีกแล้วก็เสียงไม่ใช่มันก็ลำโพงอีกต่างหากไอ้ความเบลอเนี่ยไอ้ความลุ่มหลงมันก็เลยมองว่าเป็นสิ่งเดียวกันอย่างเราดูทีวีเนี่ยนะคลื่นส่งมาตั้งหลายตัวนะคลื่นเสียงก็อย่างหนึ่งคลื่นคลื่นสีก็อย่างหนึ่งตั้งหลายหลายอย่างนี้ที่เป็นคลื่นออกมาแล้วมาเป็นโทรทัศน์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคลื่นเดียวที่ไหนไม่เหมือนโทรศัพท์มันใช้คลื่นเดียวแต่ว่าไอ แต่ถ้าระบบคลื่นตัวไหนบางทีมีแต่ภาพไม่มีเสียงบางทีมีแต่เสียงไม่มีภาพเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่ามันใช้หลายคลื่นฉันใดในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยขณะที่ยืนเดินนั่งนอนมีใครพาไปพาเดินพานั่งพานอนมีใครอยู่ในนั้นจริงๆไหมเพราะฉะนั้นคนที่หลงงมงายเข้าใจผิดคนที่ไม่มีการวิเคราะห์จาแนกแยกแยะก็ ฉันั้นเนี่ยนะก็นึกว่าเราเป็นผู้ไปเป็นต้นหรืออัตตาเนี่ยนะหรือปัวเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรยังใดยังหนึ่งอนะ่ะสุดแท้แต่จะสําคัญผิดถามมาแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรที่ถูกเราค่อยๆแยกดูค่อยๆไล่ดูว่าเมื่อเกิดความคิดขึ้นว่าเราจะป้ไปจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยนะ ถ้าจะเจริญอะสัมโมหะสัมปชัญญะโดยไม่หลงลืมเลอะเลือนเนี่ยก็ศึกษามาที่ความคิดก่อนว่าถ้าจะมีการก้าวไปไหนสักแห่งหนึ่งมันจะเกิดความคิดก่อนว่าจะก้าวไปพอความคิดนั้นเกิดขึ้นก็ทําจิตตชาวาโยธาตเรียกว่าว า, ยวายโยธาตที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็จะให้วิญยญัตเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงนั้นนั่นแหละคือจิตเกิดขึ้นทําวินยัตทำจิตตชาวายโยธาต โครงกระดูกที่สมมุติว่าเป็นกายเนี่ยจะ ก, ก้าวไปข้างหน้าตามอำนาจการแผ่ขยายแห่งวาโยธาที่เกิดแต่กิริยาของจิตด้วยประการอย่างนี้ตอนสมัยใหม่เขาก็อธิบายระบบกล้ามเนื้อระบบการทํางานของเส้นประสาทอะไรเป็นต้นก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเขาไม่เห็นว่ามีใครอยู่ในนั้นอะไรเนี่ยเอาเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องสแกนเครื่องอะไรมันก็ไม่มีใครมันมีแต่ระบบที่ที่เป็นไปเท่านั้นเอง ไอ้ระบบที่มันเป็นไปโดยการประชมพร้อมแห่งธรรมเหล่านี้เรียกว่าสังขารธรรมมันเป็นแค่สังขารธรรมเท่านั้นแต่โดยสรุปก็คือมีจิตความคิดเกิดขึ้นแล้วก็แผ่จิตตะชาวายโยธาการขยับเคลื่อนเคลื่อ น, อนไหวร่างกายก็มีขึ้นก็มีการเป็นไปฟันโครงกระดูกนั่นแหละก้าวไปข้างหน้านี่เมื่อโครงกระดูกที่มุ่งจะไปข้างหน้าแล้วมันยกเท้าแต่ละข้างได้อย่างไง นะก็ถ้าเป็นทางโลกก็อธิบายลว่ากล้ามเนื้อตัวไหนคลายตัวกล้ามเนื้อตัวไหนมันเกิดการหดตัวเนี่ยนะแล้วตัวไหนมันมีการดึงมีการผ่อนมีการคลายมันก็จะเป็นระบบเคยเห็นไอ ห, หุ่นชักกระบาะหุ่นกระบอกอะไรเป็นต้นไหมก็มีการดึงพอดึงอีกเส้นหนึ่งปั๊บมือข้างหนึ่งก็จะโบกนะพอดึงอีกเส้นหนึ่งปั๊บเอาหัวผงกหัวแหะถ้าดึงอีกข้างหนึ่งปั๊บยกขาเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ลักษณะนั้นฉันใดไอจิตชาตวายโยธามันก็เหมือนกับเปื่อนกับไอตัวสายชักนั่นแหละ เพราะมีจิตเป็นสมุดฐานจิตก็เป็นปัจจัยแต่ทีนี้บางคนก็เชื่อว่าจิตนั่นแหละคืออัตตาที่จริงก็ไม่มีอัตตาในจิตอะไรหรอกเพราะจิตบางครั้งก็เป็นจิตโลภบางครั้งก็เป็นจิตโทสะบางครั้งก็เป็นจิตโมหะก็คนละจิตกันนะจิตก็คนละอย่างเพราะฉะนั้นกิริยาอาการที่เดินขณะที่โลภก็อย่างหนึ่งเดินขณะที่โกรธก็อย่างหนึ่งเดินขณะที่ลุ่มหลงก็อย่างหนึ่งเดินด้วยกุศลจิตที่ประกอบด้วยศรัทธาก็อย่างหนึ่งประกอบด้วย เป็นไปกับทานก็อย่างหนึ่งศีลก็อย่างหนึ่งเป็นไปกับสมถาวิปัสนาเป็นต้นก็คนละอย่างก็ละอย่างไปความคิดก็หลากหลายเมื่อความคิดหลากหลายตัวจิตที่คิดหลากหลายอย่างนี้เป็นปัจจัยแก่จิตชาวายโยธาร่างกายก็เป็นไปตามนั้นแหละนี้ตัง้งคำถามว่าเอาล่ะขณะที่ยกเท้าขึ้นนะนะคือในโลกของรู ป, ปรธรรมเนี่ยมันก็มีแค่ธาตุสี่ดินน้ําไฟลมเนี่ยเป็นหลัก ธนะาตุสเช่นการยกเท้าเนี่ยธนะาตุสี่มันทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรก็บอกว่าธาตุสองชนิดคือปฐวีธาตุกับอโาโปธาตุจะยน่นและก็อ่อนลงธาตุาอีกสองอย่างนี้จะมีกำลังมากยิ่งขึ้นก็แปลว่าปฐวีธาตุเนี่ยนะปฐวีธาตุเนี่ยมันเป็นธาตุที่ค่อนข้างหนักใช่ไหม คือมันไม่ค่อยทากิจหน้าที่ของมันมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันแต่ส่วนวาโยธาเนี่ยนะวาโยธาตกับเตโชธาต์ก็จะทํากิจให้มันมีกําลังมากเพราะฉะนั้นขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าเนี่ยธาตุที่ทํากิจหนักจริงๆคือธาตุไฟกับธาตุลมเนี่ยนะธาตุไฟกับธาตุลมพอธาตุลมมีปัญหาป้าเราจะก้าวเดินไม่ออกเลยเนี่ยนะพอธาตุลมมีปัญหาจิตชาวาโยมีปัญหาเตโชธาต์ไม่ดีมันจะมีการก้าวไปไม่ออก แต่ขณะที่เหยียบหยุดอยู่กับที่เนี่ยท่าที่ทํากิจสองอย่างหนักก็คือท่าดินกับท่าน้ำ น, นะนะท่านก็บอกว่าขณะที่ย่างเท้าเนี่ยนะย่างเท้าย้ายเท้าอันเนี้ยท่า ด, ดีท่าไฟกับท่าลมเนี่ยทำกิจเต็มที่แต่ถ้าขณะหย่อนลงเหยียบแล้วก็ยันอันนั้นท่าดินกับท่าน้ำเนี่ยทำกิจเต็มที่เพราะนนั้ในขณะ ท, ที่ก้าวเดินมันก็มีแต่ท่าสี่ที่เป็นไปเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นอย่างอย่างตอนเนี้ยคำว่าธาตุดินน้ำไฟลมก็คืออะไรก็คือเอน็เอนเอนกระดูเอนเนื้อกระดูกนนะตัวตั ว, ตวหลักๆที่ทำรรกิจเดินเนี่ยนะ N อ็นคำว่า N. เนี่ยภาษาธรรมะรวมทั้งเส้นประสาทเส้นเลือดเส้นอะไรทุกชนิดเนี่ยนะคำว่าเอ็นับเดียวแล้วก็เนื้อก็อคือกล้ามเนื้อเนี่ยนะกล้ามเนื้อแต่ละประเภทที่มันหดตัวคลายตัวก ว, ว่ากันไปแล้วก็โครงกระดูกเนี่ยนะโครงกระดูกข้อต่อที่มันเป็นไปพราะนั้นถ้าวิจัยไปในนั้นถามว่ามีใครอยู่ที่เท้าไหมานะเมื่อวิจัยไปแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากกระดูกไก่เท่าไหร่หรอกมันก็อย่างนั้นแหละมันก็ไม่มีใครอะไรอยู่ในนั้นแต่ว่าระบบสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมที่เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นเอง มันในการสรุปว่าในการย่างเท้าเครียวกว่ายกย่างแล้วก็ย้ายเท้าเนี่ยนะทา่าสองตัวทํางานหนักมากคือทา่าไฟกับทา่าลมโดยเฉพาะทา่าลมนี่ทํากิจเต็มที่ขณะที่หย่อนลงเหยียบแล้วก็ยันเนี่ยนะทา่าดินกับทา่าน้ําทํากิจมากเพราะในขณะเอ่ยเอ่ยยกขึ้นย่างเข้าไปข้างหน้ามีการย้ายหย่อนลง เยียบแล้วก็ยันก็มีแต่รูปประธรรมและอรูปประธรรมก็คือมีจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชาวายโยธาในการยกในการย่างไปข้างหน้าในการหย่อนในการเหยียบในการยันเป็นต้นนะ่ยก็มีอยู่เท่านี้นะนะก็มีแต่นามกับรูปอันนี้ยกตัวอย่างว่าทำสองอ่ะนะตรงนี้มุ่งอธิบายปริญญาธรรมธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้ธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้เนี่ยจะนับ1นึ่งสองสามสี่หก็ได้แต่ตรงนี้ยกมาแค่ หมวดสองคือนามกับรูปถ้าจะนับหนึ่งก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นแค่สังขารธรรมเท่านั้นแลถ้าจะนับเป็นสองก็มีแต่นามกับรูปจิตเป็นนามธรรมเจตสิกที่ประกอบร่วมกับจิตเป็นนามธรรมจิตเหล่านี้แผ่แต่จิตตชาวาโยธาสโครงสร้างทางร่างกายก็มีการหดการหย่อนการคลายการทํากิจหนักกิจน้อยเป็นต้นก็มีการยกเท้าเป็นต้นขึ้นพวกนั้นก็เป็นแต่รูปธรรมก็จิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชาวายโยธาสที่มาดึงโครงสร้างทางร่างกายให้มีการ ก้าวเดินเป็นต้นก็มีแต่นามกับรูปทีนี้ขณะที่เดินมันก็บางทีก็เดินด้วยสุขเดินด้วยทุกข์แล้วก็เดินด้วยอุเบกขาท่านนัเป็นสีก็ต้องอาศัยอาหารสี่ทนนับเป็นห้ามันก็คือขันห้านั่นแหละที่ยกยั่างาที่มีการก้าวเดินถ้าก็เป็นไปทางทวารกายเป็นไปทางทวารกายงั้นกถ็ถ้ามีการแบ่งแล้วก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นแค่เป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรพิจารณารอบรู้ไม่ให้มีความโ ง, ง่งงายโง่งเขลาและ ลุ่มหลงเนี่ยนะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอันหนึ่งก็คือไม่มีการจำแนกแยกแยะเลยเนี่ยนะก็คือันถ้าตรงนี้ก็เหมือนกับว่าฝึกปลอกมะพร้าวานะฝึกปอกมะพร้าวว่าเออข้างในมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างสรีระทางร่างกายก็ชั้นนั้นสมัยก่อนเนี่ยอ่สมัยที่สมัยโบราณเลยนะเขาไม่มีภาพภาพวาดภาพเอ็กซเรย์ไม่มีการเอ็กซเรย์ X ไม่มีภาพ หรือไม่มีหมอพยาบาลที่ไปเรียนผ่าศพชำแหะศพไม่มีการภาพตัดภาพขวางภาพค่ อ, คอยๆลอกอะไรเป็นต้นเมื่อไม่มีเนี่ยน ะ, ะแล้วก็มีลัทธิบางลัทธิมาชวนให้เกิดการเข้าใจผิดลัทธิอัตอตาเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นความจริงสิ่งเหล่านี้เพียงเพียงแต่ว่าไม่เกิดการเรียนรู้เท่านั้นเองเมื่อมีการเรียนรู้ก็จะไม่มีการเข้าใจผิดแล้วเด็กนักศึกษา อย่างความคิดลับที่อัตตาเนี่ยนะถ้ามีคําถามว่าไอ้ลับที่อัตตาเกิดจากอะไรเกิดจากว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สลับผู้ไม่เห็นอริยะพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะเป็นต้นคนเหล่านี้แหละที่สําคัญว่ามีอัตตาอยู่แต่ถ้ามีการฟังทําความรู้มีความเข้าใจปรับความเข้าใจพิจารณาให้ละเอียดละอ่บทีท่วนก็จะไม่มีการเข้าใจผิดแล้วเนี่ยนะ มันในขณะที่ย่างเท้าเนี่ยนะก็มีแต่รู ป, ปธรรมและอารู ป, ปธรรมใ น, นนี้ก็อธิบายว่าในการย่างทเท้าเป็นต้นเนี่ยนะคือง่ายๆว่าขณะที่ยกเนี่ยมันรูปรูปนามขณะที่ยกก็ไม่ถึงย่างรูปนามในขณะที่ย่างก็ไม่ถึงย้ายขณะที่ย้ายก็ไม่ถึงหย่อนไอ้ขณะที่หย่อนมันก็ดับที่หย่อนไม่ถึงเหยียบไอ้ขณะที่เหยียบมันก็หมดไปในขณะเหยียบเท่านั้นนั่นแหละมันก็ไม่เลยไปครับนเพราะว่าเกิดที่ใดดับที่นั่น ในทางธรรมะนั้นถือว่ารูปนามเกิดที่ใดดับที่นั่นนะเกิดที่ใดดับที่นั่นไม่มีการเดินทางจริงนะในในใ น, ในทางธรรมะนะแต่ว่าในทางโลกก็อาจจะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสายสัมพันธ์สืบเนื่องกันไปเขาบอกว่าข้อทุกข้อและที่ต่อทุกแห่ง ก็เป <tem> bon erm so like ็นไปตามระบบในที <c oughs> <c oughs> <c oughs> un, ่นั้นนั่นแหละจะลั่นเปาะแปะเปาะแปะเหมือนเมล็ดงาที่โยนลงไปในกระทะที่ร้อนก็ว่าตรงนี้ต้องดูตอนอายุมากๆขึ้นเราจะเห็นชัดพอโดนไปทีมันลั่นไปหมดเลยใช่ไ้มลั่นนะงไหนบ้างตั้งหลังเป็นต้นเข่าก็ลั่นไปหมดข้อแต่ละข้อนี่มันดังกรอบกรบกรอบไปหมดเลยนะบางคนเนี่ยมันดังขนาดนั้นเลยบางทีลุกขึ้นเนี่ยกรอบขึ้นมาเลยนีค่นั้นนะก็เหมือนได้ก็เหมือนกับเมล็ดงาที่โยนเข้าไปในกระทะร้อนมันกรอบกรเหมือนกับโอ้ยเขย่าอะไรสักอย่างนึ่งนะ ถามว่าในนั้นมีใครอยู่บ้างอ่ะจริงๆจะมีใครก้าวไปล่ะจะมีใครมีใครไปยกมีใครไปย่างมีใครไปย้ายมีใครไปหย่อนไปเหยียบไปยันไปอะไรมีไหมในนั้นอ่ะนะอันนี้คือถามว่าใครแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้การจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตะชาวายโยธาแล้วรูปมีการเดินไปเป็นต้นถามว่าความจริงสิ่งเหล่านี้มีไหมบอกมีแล้วมีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีแต่ความจริงแห่งสิ่งเหล่านี้มีไหมบอกมีแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเนี่ยนะ ก็เหมือนว่าเหมือนกับเราดูทีวีเนี่ยถามว่าทีวีมีการแสดนอาการละเล่นการแสดงการอะไรอยู่ในในจอเนี่ยมีจริงไหมบอกจริงแล้วมีใครอยู่ในทีวีไหมไม่มีแล้วสิ่งเราเนี่ยเกิดจากองค์ประกอบฉั้นใดสรีระร่างกายก็ฉันนั้นเนี่ยนะท่านถ้าผู้ที่พิจารณาเรื่องท่าเรื่องท่องอาการ32เป็นต้นมาม่า ก, ก็เข้าใจได้ไม่ยากอะไรมันก็มีแต่ความจริงโดยประมาทแล้วก็มีแต่ท่าเท่านั้นแหละเดิน ถ้าเท่านั้นเลยยืนนั่งและนอนจึงไม่ใช่ใครเพราะว่าในส่วน น, นั้นจิตดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นก็ดับไปพร้อมกับรูปหมายคาอว่าจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นทำจิตชาวายโยธาแผ่ให้เกิดการขยายไปก็หมดไปใหม่ๆก็จะเป็นสืบท่อต่อไปเหมือนอะไรการสืบท่อต่อไประหว่างรูปธรรมและอรูปธรรมหรือระหว่างรูปกับนาม ไหลไปเหมือนกระแสน้ําเป็นระลอกเป็นระลอกไปฉะนั้ น, น, นชวนะที่เกิดขึ้นแต่และชวนะแต่และชวนะก็สืบทอดกันไปเป็นเหมือนกับระลอกคลื่นเท่านั้นไม่มีใครอยู่จริงอยู่ในนั้นอะไรก็เป็นแต่สภาวะแห่งรูปธรรมและนามธรรมแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นปริญ ญ, ญาธรรมเป็นธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณา ตัวมันเองนั้นเป็นอัพยากตาธรรมเนี่ยนะไม่ดีไม่ชั่วในตัวเองแต่ถ้าคนไม่พิจารณาถือว่าเป็นโมหะเป็นความไม่รู้เป็นอวิชชาแต่ถ้ามีการพิจารณาเป็นปัญญาเป็นความรอบรู้เนี่ยนะก็ว่าถ้าพิจารณาเท่าไหร่นั่นอ่ะคือการปฏิบัติหนึ่งทีพิจารณาหนึ่งครั้งก็เป็นการปฏิบัติ1ทีพิจารณา2ครั้งก็ปฏิบัติ2อทีถ้าพิจารณาทั้งวันแล้วก็เป็นการเจริญทั้งวันเนี่ยนะแต่การเจริญแบบนี้เนี่ยนะ คนที่ไม่ได้ศึกษาวิสุทธิมัติศึกษาที่อื่นมาประกอบปั๊บเนี่ยนะพอศึกษาตรงนี้ปั๊บก็จะมาใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างเดียว น, ยนะนะก็คือมาใจจดใจจ่ออยู่ณนะจุดนี้ที่เดียวถ้าอย่างนี้จริงๆเนี่ยถือว่าความรู้ไม่พอหรอก น, นะถ้าฟังแค่นี้แล้วไปเจริญเลยใครเจริญได้เนี่ยนะแหมถ้าเป็นถ้าบวชเป็นพระจะถือย่ำตามให้เล ย, เยนะอาาไมเก่งขนาดนี้มาทไมมีบุญมากจังเนาะ เพราะว่านี่มันเป็นเหมือนกับว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนกับบรรทัดสุดท้ายของหนังสือแล้วนะมันเป็นเหมือนกับบรรทัดสุดท้ายของหนังสือเพราะว่ารูปแบบในการพิจารณาเนี่ยในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะถ้าใครที่ฟังมาแล้วก็จะรู้ว่าในรูปสัตตกะรูปสรรรัตตกะได้มีการพิจารณาอย่างกว้างขวางมากไม่ใช่ว่ามาจ่อแค่บรรทัดสองบรรทัดเท่านี้ اء, แล้วเอาไปปฏิบัติได้เจริญตามได้แล้วจะบรรลุเนี่ยบอกไม่พอหรอกแต่นี่เป็นแนวทางว่าเออเนี่ย การเจริญเป็นไปตามแนวนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าแค่นี้แล้วพอเลยไม่ใช่เพราะว่าหลายๆอย่างที่ท่านอธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคแล้วท่านไม่อธิบายถือว่ารู้กันเพราะถ้าอธิบายหมดทุกนั่นไปหมดก็ไม่ต้องจบเป็นแล้วเนี่ยนะอธิบายบรรทัดเดียวนี่ก็ยกมาหมดตั้งปีดกสามก็ไม่ต้องไปไหนกันแล้วเนหะันเพราะงั้นก็บางอย่างก็เดี๋ยวไปหาที่อื่นประกอบเอากันแล้วกันเนี่ยนะมันก็ถือว่ารู้กันนะบางอย่างในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับการยืนการเดินการ น, านะอ่ ะ, นะอะถ้าถ้าเริ่มขยายว่า คือถ้าถ้าพูดจากละเอียดไปหาหยาบที่สุดของชีวิตแต่นวิสุทธิมังคเนี่ยพูดจากหยาบที่สุดลงมาหาส่วนที่ละเอียดอันนี้พูดในส่วนที่ละเอียดขยายไปหาหยาบขยายอย่างไรในส่วนที่ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรูปธรรมทั้งหลายก็คือขณะที่ยกย่างย่างก็คือก้าวไปข้างหน้านะย้ายก็คือย้ายที่จะวางเท้าอ่ะแล้วก็ยนเหยียบยันเนี่ยนะไอ้หอย่างนี้ก็ถือว่าละเอียด ละเอียดถ้าถามว่ายากกว่านี้คืออะไรก็คือยืนเดินนั่งและนอนถ้ายากว่าไปก็เกี่ยวกับอริยาบทถ้ายากไปกว่านั้นอีกก็เกี่ยวกับรูปที่มีสมุทฐานสี่พาะนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้จิตตดสมุทฐานอย่างเดียวแล้วรูปมันมีทั้งอาหารสมุทฐานมีทั้งกรรมสมุทฐานมีทั้งจิตสมุทฐานก็ไปพิจารณารูปในสมุทฐานสี่แล้วรูปในสมุทฐานสีในช่วงไหน ในช่วงก็แบ่งเป็นช่วงช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงค่าช่วงดึกช่วงเช้ามืดเนี่ยนะก็มาแบ่งเป็นชีวิต6ระยะเนี่ยนะเรียกว่าเช้าสาเช้าที่กลางวันค่าปฐมมายามกลางคืนแล้วก็ช่วงก่อนสว่างถ้าขยายไปกว่านั้นอีกก็คือกลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะถ้าไอ้กลางวันกับกลางคืนมันก็มีข้างขึ้นและข้างแรมมันชีวิตก็จะยืดออกมาเป็นข้างขึ้นกับข้างแรม ข้างขึ้นกับข้างแรงถ้าผนวกกันก็เป็นเดือนถ้า2เดือนเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาแบ่งเป็นทุกสองเดือนนะช่วง2เดือนแต่ตอนนี้สมัยใหม่เขาเน้นนิยมใช้ไตรามาสก็คือช่วง3เดือนเรียกว่าไตรามาสที่1ที่2ที่สมันก็มีอยู่ทั้งหมด4ไตรามาสนะปีหนึ่งเนี่ยนะสามสี่มีสไตรามาสก็แบ่งออกเป็นช่วง3เดือนแต่ถ้าเป็นฤดูกาลหรืช่วงละ4เดือนช่วงฤดูหนาว4เดือนฤดูร้อน4เดือนฤดูฝน4เดือนและในช่วงครับสิบสอเดือนก็เรียกหปี แล้วปีนี้ก็มาแบ่งทุกกี่ปีดีแต่ละปีแต่ละปีก็มีความแตกต่างกันแต่ละสองปีก็ต่างกันแต่ละสีปีก็ต่างกันแต่ละช่วงห้าปีก็ต่างกันแต่ละช่วงสิบปีก็แตกต่างกันและช่วงวัยแต่ละวัยก็แตกต่างกันทีนี้ถ้าแบ่งมาเป็นวัยก็เหลือหนึ่งชีวิตหนึ่งชาติแต่ละชาติก็ต่างกันไปอีกเพราะถ้าหากว่าย่อถ้ามองจากภาพใหญ่แล้วก็ค่อยย่อลงมานะเคยไปย่อขยายภาพไหคล้ายๆแบบนั้น่ะ หรือไม่ก็เหมือนกับซื้อแผนที่นะแล้วก็ไล่เป็นแบบยาวๆแล้วก็มาพูดเป็นกิโลกิโลเป็นต้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยก็คืออะไรชีวิตแต่ละชาติที่ไหลแต่ละเป็นหนึ่งชาติ2ชาติ3ามชาติสีชาติ5ชาติ1ิชาติร้อชาติพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเป็นอันมาที่ไหลสืบเนื่องเป็นอสงไขยกับชีวิตของแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติถ้าย่อลงมาพับก็มามีอะไรก็มีเป็นชีวิตช่วงการมาภูมิรูปภูมิและอารูปภูมิอารูปภูมิก็ใหญ่หน่อย รูปปภูมิก็ปานกลางกามภูมิก็มีแบบยาวจนถึงมาอายุสั้นๆแบบจุติจุติสักสองนาทีแล้วก็ปฏิสนธิแล้วเน่ยนะขออภัยปฏิสนธิสักสองนาทีหลังจากนั้นก็จุติแล้วก็ชีวิตสั้นแล้วก็ยาวๆๆขึ้นก็มีพบน้อยพบใหญ่พบที่อายุยืนและพบที่มีอายุสั้นทีนี้ย้อนกลับมาท่าในช่วงที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็นับตั้งแต่แรกปฏิสนธิไปยันถึงจุติเนี่ยนะเอาทิ้งต่างว่าร้อยปีก็แล้วกัน ชีวิตอายุยืนเลยเต็มกรอบพี่สายเนี่ยนะรอ้อปีแต่ก็มีหญิงที่อายุยืนที่สุดในโลกมีอายุ1้อยบสี่ปีเมื่อตอนนี้ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอายุเป็นโอ้โหพิเศษเลยนะครองครองหญิงอายุยืนมาสองแบบสปีแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะอายุมากแล้วเป็นเป็นทางเหนือก็ อ, อุ้ยนะแก่มากแล้วงอมเต็มทีแล้วแต่สงสัยเขาจะดูแลอย่างดีนะเพราะจะให้มีสถิติโลก มันมีคนเดียวที่อายุร้อยกว่าปีเนี่ยนะร้อยสกว่าปีนี่ก็นี่ก็มาแบ่งแบ่งเป็นวัยใช่ไหมถ้าเป็นช่วงชีวิตอ่าถ้าไปอัลลอายุร้อยปีก็แบ่งช่วงละสาปีช่วงละ33าปี33าปีแรกเรียกปฐมวัยสา flavored, ปีที่สองเรียกว่ามัชชิมวัย33าปีที่3าเรียกว่าปัชชิมวัยก็าามาแบ่งเป็นวัยถ้ามาแบ่งเป็นวัยนี่ก็จะเห็นชัดได้ใช่ไหมว่าโอ้ชีวิตแต่และช่วงช่วงเด็กช่วงกลางคนและช่วง ปลายคนนะช่วงปลายคนนี้ถามว่าในชีวิตช่วงเหล่านี้เนี่ยนะก็ถ้าย่อลงเอิบอะไรนะย่อลงมาอีกจะเป็นชีวิตทุกสิปีชีวิตทุกสิปีสิปีแรกสิปีที่2องปีที่สามสิปีที่4ี่สิปีที่5้าสิปีที่6กสปีที่เจ็ดสิปีที่8ปดปีที่เก้าสิบปีที่10 100ปีเนี่ยนะ โดยมากเขากร้อยปีเนี่ยนะไข่ไข่ก็ตายบอกไข่ก็ตายแล้วว่าตายหมดทล้วนะหลังจากนั้นหมดไม่นางก็ตายหมดนะอายุหมืน่นอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีเอาไหมให้พรหรือแช่งกันแน่เนะแต่สรุปมันก็ก็คื อ, ค อ, คอโดยวัยในยุคนี้มันก็ประมาณเนี่ยประมาณร0อยปีะทีนี้ถามว่าทุกๆ10ปีแล้วก็มาย่อยอีกทุกๆ5ปีชีวิตในแต่ละทุก5ปีนี่มันก็ไม่เหมือนกันนะ ชีวิตทุกๆหปีของแต่ละคนเนี่ยต่างกันบางคนก็บอกว่าอะไรนะช่วงต่อระหว่างสาสิบถึงสี่ิปีนี่เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะบอกว่าเออช่วง 5, อายุห้าสิบปีนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเยอะห้าสิบถึงหกสิบเจ็ดิบแปดิบแม่มันเปลี่ยนเยอะเกินเลยนะวันก่อนโยมก็เล่าให้ฟังแมมขึ้นปีที่เจ็สิบขึ้นมาก่อนแล้วเนี่ยแหมมันสุดเร็วจริงๆเขาบอกงั้นนะปีที่เจ็ดสิบหลังไปนั้นบอกสุดเร็วมากเลยนะแต่ก็ยังขับรถไปศึกษาพระธรรมได้มันมีหลายคน แล ir, ้วก oh, ็วันชีวิตบางคนก็บอกโอ้ย 30- มสถึงส0่นี่มันเปลี่ยนมากเลยเขาบองั้นบางช่วงว่าโอ้ย 40- ่สถ uh, ึงห้นี 70, purely, ่สิเปลี่ยนจริงเลยบอกว่าห้ถึงหกสิเปลี่ยนเยอะ 60- สิถึงเจสิเปลี่ยนบางทีมันก็เปลี่ยนทุกปีน่ะแหละเนี่ยนะก็เปลี่ยนมาทุกๆ10ปีมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ทุกๆ5ปีเนี่ยนะก็เปลี่ยนไปเยอะเนี่ยนะทั้งร่างกายและจิตใจนะพูดแบบหยาบๆเลยนะทั้งร่างกายและจิตใจนี่เปลี่ยนไปเยอะมากอย่างบางคนเนี่ยไม่เจอกันแค่ปี ทำไมไมันเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีการเสริมเติมแต่งเป็นต้นเนี่ยโอเป็นนางพญาผมเขาเป็นอะไรทันทีเลยนะพรึบเดียวพรึบเดียวก็เปลี่ยนไปไปหมดแล้วเนี่ยนะพร้อมที่จะแปลสภาพไปได้อีกอย่างหนึ่งหมดอย่างคนป่วยด้วยนี่ยิ่งเห็นชัดเลยนะไม่ได้เจอกันแค่หัวปีท้ายปีเนี่ยแทบจําไม่ได้เลยเมื่อก่อนไปเยี่ยมโยมเออไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งนะเออแค่เรียกว่าตอนที่นั่งฟังธรรมอยู่ข้างหลังที่โยมพิงฝาเนี่ยนะกับตอนนี้เนี่ยจำหน้า ถ้าถ้าเห็นเพื่อนตอนนี้ครั้งเดียวกับถ้าไม่ได้ว่าคนเดียวกันป่วยนอนอยู่เนี่ยจำไม่ได้เพราะมันแค่ว่าภาพ ร, รูปผิรูปผิดร่างแค่ปีเศษเองนะแค่ปีเศษเองไม่ถึงปีดีไม่ถึงปีดีเนี่ยนะไม่ถึงปีดีนี้เป็นนะถ้าตายเนี่ยเปลี่ยนเร็วกว่านี้เยอะเนี่ยนะอันนี้พูดถึงชีวิตคนเป็นเป็นเนี่ยขนานี้ยังเปลี่ยนอย่างนี้มันก็มีการเปลี่ยนทุก5 4, 4, 3, 2, 4, ปีสปี3ปี2ปีเปลี่ยนทุกปีในแต่ละปีแต่ละปีและจริงๆแล้วเปลี่ยนทุกฤดูกานเนี่ยนะ เปลี่ยนฤดูการทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะจากร่างจากฤดูหนาวไปหาฤดูนอนช่วงต่อระหว่างฤดูเนี่ยโดยมากคนจะป่วยช่วงหนาวไปหาร้อนเนี่ยตายเยอะมากมคนตายจริงๆเนี่ยช่วงระหว่างจากหนาวไปหาร้อนแปรสภาพเพราะอากาศวัเย็นไปหาร้อนเนี่ยช่วงนั้นคนแก่จะตายโดยมากเฉลี่ยแล้วจะเป็นอย่างนั้น แล้วช่วงหน้าร้อนนี่ก็เริ่มร่วงเหมือนใบไม้เลยนะอย่างเช่นประเทศทางยุโรปเนี่อร่วงเหมือนใบไม้เลยนะปีนี้ตายไปกี่พันเนีเขาพูดทีละเป็นพันเลยนะพันสองปีนี้สี่พันเป็นต้นด่ารัฐบาลใหญ่เลยที่ไหนได้นอายุมากแล้วก็แก่ตายไปธรรมดาเลยนะนี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มนะแล้วก็ช่วงจากฤดูคือคนเนี่ยมันจะเริ่มป่วยนะชีวิตมันจะป่วยช่วงนี้ว่าช่วงจากหนาวไปหาจากหนาวไปหาร้อนก็จะป่วยรอบหนึ่ง จากร้อนไปหาฝนก็จะป่วยรอบหนึ่งจากฝนไปหาหนาวก็ป่วยอีกรอบหนึ่งรวมๆแล้วประมาณจะป่วยประมาณสามรอบเท่านั้นอันนี้นี้ถ้าป่วยแบบค่อนข้างแบบคนปกติหน่อยจะป่วยประมาณสามรอบถ้าคนที่ไม่ค่อยปกติหมายว่าไอ้คนนี้ป่วยเป็นปกติอย่างหนึ่งกับไม่ค่อยป่วยนานๆป่วยใส่แล้วพวกนี้ป่วยป่วยทีป่วยมากเลยกันอันร่างกายมันก็จะมีการเปลี่ยนทุกฤดูกันมมีการเปลี่ยนทุกฤดูกานเรืออาหารตามฤดูเป็นต้นนะเสร็จแล้วก็มาไล่ไปถึงว่า มันก็เปลี่ยนไปทุกสองเดือนก็เหมือนกันซุกถ้าเป็นทางบาลีก็จะแบ่งทุกสองเดือนหรือไปเปลี่ยนทุกทุกเดือนเนี่ยนะแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็เปลี่ยนทำไมกระทั่งข้างขึ้นและข้างแรมเนี่ยนะทุก15วันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเนี่ยนะร่างกายเปลี่ยนเป็นรายเดือนเปลี่ยนทุก15วันและเปลี่ยนทุกอาทิตย์เหมือนกันน่ะบางทีก็เปลี่ยนทุก7วัน แล้วมันก็เปลี่ยนทุกวันนั่นแหละแล้วแต่ละวันนี้มันก็เปลี่ยนทีหนึ่งนะในในหนึ่งวันก็มาแบ่งส่วนของกรรมมชรูปส่วนของจิตตชรูปส่วนของอุตตชรูปและอาหารชรูปเนี่ยนะอย่างที่เรามาพูดถึงอิริยาบถก็คือในส่วนของจิตตชรูปและจิตตชรูปย่อยลงไปอีกก็คือเกี่ยวกับยืนอ่อจิตแตชรูปหยาบน่อก็คือยืนเดินนั่งนอนถ้าย่อยลงไปก็คือไปกับมาแลกกับเหลวคู่กับเหยียดกินเดิมหลับตื่นพูดนิ่งก็เป็นรายละเอียยีอยยอยยยด่่อออปกขง จิตตชโรบก็เป็นเหมือนกับกิ่งก้านสาขาที่ขยายออกไปแต่ว่า